คำคหนึ่งในพุทธศาสนาซึ่งมีความสําคัญมากมคือคำว่าอัตถะอัตถะนี่เป็นภาษาบาลีแปลว่าประโยชน์หรือจุดมุ่งหมายบางทีเราก็อาจจะไม่ได้ยินคําว่าอัตถะนะแต่ได้ยินคําว่าประโยชน์อยู่ บ, บ่อยๆและประโยชน์ที่พูดถึงกันต้องคํานึงอยู่ บ, บ่อยๆคือประโยชน์ตนหรือประโยชน์ท่านท่านก็ใช้ประโยชน์ ผู้อื่นจะทําอะไรก็อย่าลืมประโยชน์ตนประโยชน์ท่านถ้าให้ดีก็ให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคือทั้งประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านที่จริงถ้าทําอะไรโดยคำนึงถึงประโยชน์ตนแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดประโยชน์ท่านไปพร้อมๆกันไม่ทางตรงก็ทางอ้อมในเวลาพึงประโยชน์ตนเนี่ย มันไม่ได้หมายถึงความเห็นแก่ตัวนะพุทธศาสนาเน้นมากในเรื่องประโยชน์ตนเนี่ยไม่ได้เน้นแต่เฉพาะเรื่องประโยชน์ท่านหรือประโยชน์ของส่วนรวมบางคนไม่เข้าใจก็สงสัยทําไมพุทธศาสนานเนี่ให้เราละความเห็นแก่ตัวแต่ทําไมให้คํานึงถึงประโยชน์ตนอยู่บ่อย ประโยชน์ตนก็ความไ่กะตัวที่มันต่างกันนะความมก็ตัวในส่วนใหญ่มันจะคำนึงถึงความถูกใจส่วนประโยชน์ตนเนี่ยจะเป็นไปเพื่อความถูกต้องแล้วถูกต้องกับถูกใจมันต่างกันนะส่วนใหญ่เราสนใจหรือคำนึงแต่ความถูกใจที่อยากร่ำอยากรวยอยากมีโชคมีลาบ หรือว่าอยากกินของอร่อยโดยที่ไม่คำนึงถึงสุขภาพหรือว่าติดเกมติดการพ น, นันเล้าบุรีุ่นเนี่ยมันล้นแล้วแต่เป็นเพราะมุ่งแต่ความถูกใจถ้ามุ่งถึงความถูกต้องเนี่ยไอ้สิ่งที่ว่ามานี้ก็จะเราก็จะละเลยไม่สนใจ เพราะอะไรเพราะมันไม่ถูกต้องเพราะมันเป็นโทษต่อสุขภาพ mm. เพราะมันเป็นอันตรายต่อจิตใจทำอะไรที่คำนึงถึงความถูกใจเนี่ยส่วนใหญ่มันก็เป็นไปเพื่อส่งเสริมกินเลยซึ่งทำให้เกิดความแกะตัวหนักขึ้นแต่ถ้าทำอะไรเพื่อความถูกต้องเนี่ยนะมันก็จะไปก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตน ไม่จะเป็นสุขภาพกายสุขภาพใจไม่จะเป็นการมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ไม่ฝืดเครื่องไม่อยากจนในการทำาไรเพื่อความถูกใจต่างหากนที่มันทำลายประโยชน์ตนหรือเป็นการเบียดเบียนตนซึ่งอันนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจมองไม่เห็นอย่างกินอะไรตามใจปากไงนนะ มันก็เป็นเพราะคำนึงในความถูกใจสุดล้วเกิดอะไรขึ้นนะเกิดความเจ็บป่วยบั่นทอนสุขภาพในระยะยาวอันนี้เราเป็นการเบียดเบียนตนหรือว่าการอิอ่เล่าสูบบุรีมันเป็นอา จ, จินจนติดเนี่ยอันนี้ก็มันสนองความถูกใจนะ แต่ว่ามันไม่ถูกต้องเพราะว่ามันเบียดเบียนตนทำให้เจ็บป่วยเสียเงินเสียทองแล้วทำให้เกิดปัญหากับครอบครัวทะเลาะบอกแว้งกันหรือบางทีก็เกิดอุบัติเหตุเพราะเมาหมายสุดท้ายก็พิการหรือว่าเสียชีวิต หรือถึไม่เป็นอะไรก็ต้องเจอคดีความเดินเนื้อร้อนใจต้องจ่ายเงินชดเชยคนที่ถูกรถชนถูกรถเราชนเพราะตอนนั้นเราเมาเนี่ยนี่ก็หมดไปเยอะนี่ก็เลยเป็นการเบียดเบียนตนนะไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ตนเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นความถูกต้องถ้าทำอะไรเพื่อความถูกต้องมันก็จะ เป็นประโยชน์ตนอยู่เสมอหรือถ้าคำนึงถึงประโยชน์ตนเนี่ยมันก็จะคำนึงถึงความถูกต้องในเรื่องการเสพในเรื่องการใช้ในเรื่องการบริโภคในเรื่องการเรียนในเรื่องการทํางานรวมทั้งไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมด้วยเพราะถ้าผิดศีลเนี่ยนะมันก็จะมีเรื่องตือเนร้อนใจตาม เกิดความวิตกเกิดความกังวลว่าจะถูกเขาจับได้หรือว่าไอ้ต้องชดใช้ความผิดที่ไปผิดศีลไปละเมิดศีลซึ่งมันมักจะทำให้คนอุดเดือดร้อนแล้วเขาก็ต้องมาเอาคืนหรือไม่ก็เรียกร้องการชดเชยไอ้พวกนี้เนี่ยมันก็นำไปสู่การเบียดเบียนตนได้ทั้งนั้น แวนเวลาเราพูดถึงประโยชน์ตนเนี่ยนะมันก็จะเกิดประโยชน์ท่านไปพร้อมๆกันด้วยเพราะว่าประโยชน์ตนเนี่ยถ้าเราคํานึงมันก็จะนําไปสู่การกระทําที่ถูกต้องมันจะเป็นเรื่องส่วนตัวคือการเสกการบริโภคการทํางานการใช้ชีวิตหรือเรื่องความสัมพันธ์กับผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องศีลเรียกว่าศีลห้า คนทุกวันนี้เนี่ยไม่ค่อยคํานึงถึงประโยชน์ตนเท่าไหร่นะผู้อย่างก็คือว่าชอบเบียดเบียนตนอันนี้ดูขัดแย้งกันนะว่าคนเราเนี่ยก็บอกว่ารักตนรักตนแล้วทําไมเบียดเบียนตนละ่ะก็เพราะว่าคำหนึ่งถึงแต่ความถูกใจในการเบียดเบียนตนเนี่ยมันไม่ได้ มันแสดงออกได้หลายวิธีนะอย่างจับยายคือการอย่างที่บอกนะการกินเหล้าสูบบรีการผิดศีลผิดธรรมหรือว่าแม้กระทั่งการเสพการบริโภคที่คำนึงแต่ความถูกใจความเป็นอร่อยบางทีไม่ใช่ค่สุขภาพแย่ยังเป็นหนี้เป็นศินเพราะว่าจับจ่ายใช้สอยเกินตัวเล่นการพานันจนเป็นหนี้มากมาย น, นี่เรี ว, ว่าเป็นการเบียดเบียนตนแต่หลายคนเนี่ยแม้จะไม่ได้ทําสิ่งที่ว่าแม้อยู่เฉยเฉยนี่ก็เบียดเบียนตนได้นะเบียดเบียนยังไงนะเบียดเบียนจิตใจของตนอยู่เฉยเฉยเนี่ยใจก็ไปหวนคิดถึงเหตุการณ์ในอดีตที่เจ็บปวดซึ่งผ่านไปนานแล้วคิดถึงความสูญเสีย คนรักของรักก็ทำให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจคิดถึงคนที่เขาทรยศหักหลังหรือเอาเปรียบกันแก้งเราต่อว่าด่าทอเราก็เกิดความโกรธคิดถึงความผิดพลาดในอะดียก็เกิดความรู้สึกผิดหรือไม่ชนะก็ไปนึกถึงเรื่องราวที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่ว่าพอนึกแล้วเนี่ย ความที่ชอบคิดลบคิดร้ายคิดระแวงก็เลยเห็นแต่ปัญหาพอเห็นปัญหาเขาก็เกิดความหนักอกหนักใจคนเดี่ยว น, นี้มีความเครียดเพราะวิตกกังวลสูงเพราะหนักอกหนักใจมากเพราะก็เพราะใจที่มันชอบคิดไปถึงเรื่องที่ยังไม่เกิดและคิดไปในทางลบทางร้ายในทางระแวง นี่ก็ เ, เป็นการเบียดเบียนตนนะเพราะแค่อยู่ใช้เฉยเนี่ยเรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นเลยนะแต่ว่าก็หาเรื่องใส่ตัวนะหรือมิฉะนั้นก็คิดปรุงแต่งในสิ่งที่มองไม่เห็นอยู่กุฏิคนเดียวอยู่บ้านคนเดียวก็คิดระแวงแล้ว จะมีผีจะมีคนร้ายมารอบทําร้ายเราไหมบางทีก็นึกเราแหวนมันมีตุ๊กแกอยู่หรือเปล่าก็เกิดความกลัวทั้งหมดนี้เนี่ยนะมันเกิดจากการปรุงแต่งมันไม่มีอะไรที่จะเป็นภัยต่อเราเลยแต่ว่าใจมันคิดไปแล้วอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเบียดเบียนตนอย่างหนึ่งนะ เปลี่ยนเปลี่ยนตนด้วยความคิดด้วยการปรุงแต่งด้วยการคิดลบคิดร้ายแล้อบางทีก็อดไม่ได้ที่จะไปช่วยเอาคําพูดที่เป็นขยะของคนไม่ว่าที่พูดใส่หน้าเราหรือพูดเข้าหูเราหรือว่าที่อ่านไอ้คำพูดเหล่านี้เนี่ย ถ้าเราไม่ไปจับไปช่วยมาเราก็ไม่ทุกข์นะมันเป็นเหมือนกับเศษแก้วนะที่เราไปหยิบมาแล้วก็มากรีดแทงตัวเองคำพูดคาดิงทาว่าร้ายพวกนี้บางทีเราได้ยินครั้งเดียวเนี่ยแต่ว่าเราเก็บเอามาคิดไม่รู้กี่ครั้ง คิดแต่และครั้งก็เหมือนกับว่าเอาเศษแก้วเอาเศษกระจกมาหรือเอาตะปูมาทิ้มแทงตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่านี่ก็เรียกว่าทำร้ายตัวเองเบียดเบียนตัวเองหรือว่าหาทุกมาใส่ตัวการทำงั้นเนี่ยเรียกว่าไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ตนนะหรือเจอ้าพู่ยานก็คือว่าไม่ได้รักตนเท่าไหร่ เพราะถ้าเรารักตนนี่เราไม่ไปเบียดเบียนตนอย่างนั้นที่ขนาดอยู่เฉยเฉยนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นยิกงถ้ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นเช่นสูญเสียทรัพย์ตกธุรกิจมีปัญหาหรือเจ็บป่วยหลายคนเนี่ยดส่วนใหญ่อดไม่ได้ที่จะซ้ำเติมตัวเองแทนที่จะเสียแต่ทรัพย์ ก็ปล่อยให้ใจเสียเสร็จแล้วก็กินไม่ได้นอนไม่หลับสุขภาพก็เสียไม่มีสมาี่ทำงานงานก็เสียอารมณ์บูดอารมณ์เน่าใครมาพูดก็แววงกลับด่าเขากลับแม้ว่าเขาเพียงแค่หยอยกเย้าก็ด่ากลับก็เลยเสียเพื่อนเสียความสัมพันธ์นี่รูว่าซ้ำเติมตัวเองเอาง่ายๆเนี่ยเวลารถติดเนี่ยนะแทนที่จะแค่เสียเวลานะ อารมณ์ก็เสียด้วยปล่อยให้อารมณ์เสียเสียอารมณ์แทนที่เสียหนึ่งก็เสียสองหรือเสียสาอันนี้ก็เรียกว่าซ้ําเติมตัวเองนี่แหละที่เราเรียกว่าเบียดเบียนตัวเองเวลาป่วยมันไม่ใช่ป่วยแต่กายใจก็ป่วยเวลางานล้มเหลวก็ไม่ได้ปล่อยให้งานล้มเหลวอย่างเดียวนะใจก็ล้มเหลวตามไปด้วยหมดสภาพกินไม่ได้น้อยไม่หลับหมดอะไรใจอยากท้อแท้บางทีอากจะฆาาตัวตาย นี่แหละเรียกว่าซ้ำเติมตัวเองแล้ถ้าซ้เติมตัวเองเนี่ยมันจะเรียกว่าเรารักตัวเองได้อย่างไรเราเบียดเบียนตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัวและสิ่งหนึ่งที่ชี้ว่าเราเนี่ยรักตัวเองเราไม่ได้รักตัวเองเลยนะี่ก็คือว่าเรามักจะทนอยู่กับตัวเองไม่ได้เรามักจะอยู่กับสิ่งอื่นเดี๋ยวนี้ก็ต้องอยู่กับโทรศัพท์ถ้าไม่มีโทรศัพท์ก็คข้งเลย ไม่มีอะไรให้ดูไม่มีเพลงฟังไม่มีหนังดูก็เคว้งไม่มีเพื่อนคุยคุยก็รู้สึกกระสับกระส่ายจะให้ทําอะไรก็ได้ย้งเว้นการอยู่กับตัวเองเพออยู่กับตัวเองเนี่ยมันจะทําให้เกิดความทุรนทุรายมากทรมารเลยทีเดียวงัถ้าเราทนอยู่กับตัวเองไม่ได้เนี่ยเราจะเรียกว่ารักตัวเองได้อย่างไรถ้ารักตัวเองเนี่ยมันก็ต้อง มีความสุขการได้อยู่กับตัวเองเหมือนกับเวลาเรารักใครเราก็อยากอยู่ใกล้เขาเรารกักเครื่องเราก็อยากอยู่กับกเครื่องเรารักรถเนาะเราก็อยู่กับรถได้ทั้งวันรักเครื่องเพชรก็อยู่กับเครื่องเพชรได้ทั้งวันแต่ทำไมรักตนเนี่ยถึงอยู่กับตนเองไม่ได้ทำอะไรก็ได้เนี่ยซึ่งบางทีก็เป็นการทร้ายตัวเอง เคยมีเคยมีคนเอาอาสาสมัครนะประมาณ40คนเนี่ยหญิงและชายเนี่ยให้มานั่งอยู่คนเดียวในห้อง15นาทีไม่มีหนังสืออา่านไม่มีโทรศัพท์เล่นแต่ก่อนที่จะให้นั่งอยู่ดิ่งๆ15นาทีเนี่ยก็มีการทดลองเอาไฟฟ้ามาช็อตก่อนชอ็อตเถา ข้อเท้าโว้ก็ไม่สูงมากแล้วก็ถามว่ารู้สึกยังไงทุกคนบอกเลยไม่ไม่ชอบอฉันไม่อยากใครมาช็อตไบฟ้าฉันหลังจากนั้นก็ให้อยู่คนเดียวสิบห้านาทีบอกว่าส่วนใหญ่นี่ทนอยู่ไม่ได้พนะอครบสิบห้านาทีแล้วเนี่ยก็อบอกว่าเนี่ยอนุญาตให้ช็อตตัวเองได้นะ ไปฟ้าช็อตนะมิให้ช็อตตัวเองได้บกก็ว่ากว่าครึ่งนะกว่าครึ่งเนี่ยช็อตตัวเองอย่างน้อยหนึ่งครั้งกินแบบผู้ชายแล้วเนี่ยหกสิเปอร์ซ็นเจ็สิบเปอร์เซ็นเนี่ยยอมช็อตตัวเองดีกว่าอยู่เฉยๆทาไมเป็นอย่างนั้นนะให้อช็อตตัวเองนี่มันเจ็บแต่หลายคนเนี่ยคงคิดว่าเนี่ย มันดีกว่าอยู่คนเดียวแล้วก็ปล่อยใจฟุง้งซ่านอยู่คนเดียวนิ่งๆสิบห้าทีในใจฟุ้งซ่นงานมากเลยได้หลายคนสุดทรมานมากแล้วก็เลยคงจะคิดว่าเนี่ยชดตัวเองเทำให้คงช่วยทำให้หายฟุง้งซ่านนีก่กลายเป็นว่าเบียดเบียนตัวเองโดยไม่รู้ตัว ทำไมรักตัวเองเนี่ยจึงทำร้ายตัวเองด้วยการช็อตใจฟ้าทัางที่ก็ไม่ได้อยู่ในสภาพที่ลำบากเลยเลยอยู่ในห้องแอร์นั่งนิ่งๆแต่เปียงแค่อยู่คนเดียวแล้วปัญหาก็คือความคิดมันรั่งพรูมาสารพัดหลายคนก็เลยทนไม่ได้ขอช็อตตัวเองดีกว่ามีบางคนนะ ถ้าตัวหนึ่งกล้าวครั้งอาจจะอยากจะลงโทษตัวมันจะมันคิดมากเหลือเกินคิดมากเหลือเกินมอนนงในแง่นี้เนี่ยมันก็ชี้ให้เห็นว่าคนเราเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยมันทุกข์เพราะความคิดนที่พูดมาตั้งแต่ต้นมาเนี่ยมันก็รู้แ้แต่ไม่ใช่ทุกเพราะว่าการทําอะไรที่ปนเปิดตนอย่างเดียวแต่ว่ายังทุกข์เพราะความคิดด้วย ใจไหลไปอดีตบ้างลอยไปอนาคตบ้างคิดปรุงแต่งกับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าบ้างลวนทั้งเวลาอยู่นิ่งๆอยู่คนเดียวใจมันก็ฟุ้งสารพัดแล้วก็เลยรู้สึกหมดุดเหยียรู้สึกทุรนทุ ร, รายกระสรับกระส่ายอันนี้มันชื่อะไรนะว่าคนเราเนี่ยทุกวันเนี่ทุกข์าความคิดขณะที่พังพร้อมด้วยวัตถุ สิ่งต่าความสะดวกแต่จะว่าไปแล้วเนี่ยยังไม่ถูกทีเดียวนะที่บอกว่าทุกข์กับความคิดนะเพราะว่าความคิดเนี่ยมันทำร้ายเราไม่ได้นะถ้าเราไม่เผลอห ล, อลงเข้าไปในความคิด ที่ทุกๆเนี่ยมันไม่ใช่เพราะทุกเพราะความคิดนะแต่ทุกเพราะหลงเข้าไปในความคิดในทางตรงข้ามนะถ้าเกิดว่าเรารู้ถันความคิดนะมันไม่ทุกนะไม่ใช่ว่ามีความคิดแล้วเนี่ยเราจะทุกทันทีมันไม่ใช่แต่เพราะคนเนี่ยส่วนใหญ่ในคิดแบบนี้ว่าทุกเพราะความคิด หลายคนในที่นี้ก็คงจะคิดแบบนั้นเพราะฉะนั้นเวลามาปฏิบัติเนี่ยมาภาวนาเนี่ยก็เลยตั้งใจจะหยุดความคิดจะห้ามความคิดอันนี้เป็นความเข้าใจของคนจำนวมากนะแม้กระทั่งเวลามาฝึกสติมาทําสมาธิมัเจริญกรรมฐานตั้งใจว่าจะห้ามความคิดหยุดความคิดเพราะคิดว่าความคิดเนี่ยมันทาให้ทุก หรือทุกข์เพราะความคิดไอ้จริงไม่ใช่นะเราทุกข์เพราะเราไม่รู้ทันความคิดเราทุกข์เพราะหลงเข้าไปในความคิดเดียวว่าความคิดที่ลบความคิดที่ร้ายรวมทั้งอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากความคิดเหล่านั้นด้วยมันต่างกันนะถ้าเราคิดว่าทุกข์เพราะความคิดเนี่ยการปฏิบัติเราจะเน้นเรื่องการห้ามความคิดกดข่มความคิดหรือบังคับจิตไม่ให้คิด เช่นหลับตาเช่นปิดประตูปิดหน้าต่างปิดโทรศัพท์มันจะได้ไม่มีสิ่งกระตุ้นให้เกิดความคิดหรือบางทีก็เอาจิตมาอยู่กับลมหายใจบังคับจิตให้แนบในจุดกับลมหายใจมันจะได้ไม่เพนผ่านออกไปหรือ ไ, ไปปรุงแต่งความคิดขึ้นมาแต่ถ้าเราคิดว่าทุกข์เพราะไม่รู้ทันความคิดหรือเพราะหลงไปในความคิดเนี่ย วิธีการการปฏิบัติมันจะเปลี่ยนไปนะมันจะไม่ใช่ห้ามความคิดแต่ว่ามันจะเน้นเรื่องการฝึกให้รู้ทันความคิดซึ่งนี่คืองานของสติสติคือสิ่งที่ช่วยไม่รู้ทันความคิดอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทำให้เขา้าใจนะว่าการปฏิบัติเนี่ยเดี๋ยวก่ที่นี่เนี่ยเราไม่ได้มุง่งควบคุมความคิด เราปฏิบัติเพื่อไม่ให้ความคิดมาควบคุมเราต่างกันนะคนไปเข้าใจว่าในปฏิบัติเนี่ยมาที่นี่เพื่ออยากควบคุมความคิดไม่ให้มันคิดเลยแต่จริงไม่ใช่เราปฏิบัติจุดมุ่งหมายก็เพื่อไม่ให้ความคิดมาควบคุมเราหรือไม่มาควบคุมจิตใจของเราทํางไงจะไม่ให้ความคิดมาควบคุมจิตใจเรามาบงการจิตใจแล้วก็นะรู้ทันมันรู้ทันมันเห็นมัน เมื่อเราเห็นงูเห็นเศษแก้วเห็นตะปูเมื่อเราเห็นเราก็ไม่ไปเหยียบมันเห็นน้ำํำเราก็ไม่ไปทิ้มมันไม่เดินเหยียบไม่เดินไปเตะมันเมื่อเราเห็นความคิดเดีย๋ยวว่าความคิดเราคิดรายเราก็ไม่ไปข้องเกี่ยวกับมันไม่หลงเข้าไปในความคิดเรานั้นเพราะถ้าหลงเข้าไปมันก็มาควบคุมเรา อันนี้คือสิ่งเรื่องของความเข้าใจใชัดนะว่าเราไม่ปฏิบัติเพราะเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อควบคุมความคิดหรือเพื่อห้ามความคิดแต่ปฏิบัติเพื่อให้ความคิดมาควบคุมเราไม่ให้ความคิดมาบงการจิตใจเพราะนั่นแหละทําให้ทุกและการที่จะรู้ทางความคิดได้คือการจะมีสติรู้ทานความคิดแล้วสติมันก็จะพาให้เกิดความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนี่ยมันช่วยทําให้จิต โปร่งเร่งหรือปลดปล่อยใจจากความคิดนะเวลาเราใจลอยเนี่ยนะใจลอ ย, ค, ยคิดนู่นคิดนี่อยู่ดีๆเนี่ยเราก็รู้สึกตัวขึ้นมาเลยเพราะมีเพื่อนเรียกหรือมีเพื่อนมาแต่ไหลเราในช่วงเวลาช่วงขณะที่เราเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยมันจะเห็นเลยนะความคิดเนี่ย ที่หลงเนี่ยมันก็จุกระจายหายไปเลยเพราะตอนนั้นเกิดความรู้สึกตัวแต่เป็นความรู้สึกตัวที่เกิดจากเพื่อนเรียกเพื่อนมาแตะแต่ไม่มีความรู้สึกตัวอย่างที่เกิดขึ้นจากการที่มีสติพอเราได้สติขึ้นมาเนี่ยรู้สึกตัวในความคิดเนี่ยที่มันหลงคิดยืดยาว หรือว่าคิดเป็นรอกเป็นเวรนี่มันหายไปเลยนะตอนนั้นเนี่ยมันเกิดสภาวะที่เราว่าเห็นความคิดแล้วก็วางความคิดลงความคิดมันก็เลยเลือนหายไปเพราะว่ามันเหมือนไฟนะที่ต้องการออกซิเจนความคิดหรือหลงคิดเนี่ยมันก็ต้องการความหลงความไม่รู้ตัวแต่พอเรารู้สึกตัวขึ้นมาพอเรามีสติขึ้นมา ความคิดที่เผอคิดลักคิดลักคิดหรือที่มันซ้ำเติมจิตใจให้เราทุกข์ให้เราเครียดเนี่ยมันหายไปยให้ความสึกตัวเนี่ยคือสิ่งที่เราพยายามฝึกพยายามสร้างแล้ความสึกตัวเนี่ยเวลาเราปฏิบัติเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปบังคับควบคุมความคิดหรือบังคับจิตเราก็เพียงแต่ รับรู้ความเป็นไปของกายและใจการปฏิบัติเนี่ยเวลาเราปฏิบัติเพื่อสร้างควาสุขตัวเนี่ยไม่ใช่ไปเพ่งที่เท้าไม่ใช่ไปไปต้องความคิดหรือต้องที่ใจมันเป็นการรับรู้เรื่องรับรู้สิ่งภายนอก รับรู้สิ่งภายนอกแต่รับรู้เฉยๆโดยที่ไม่หลงไปกับสิ่งภายนอกอ่า จ, จะเป็นดอกไม้ไม่ว่า จ, จะเป็นก้อนเมฆหรือว่าเสียงนกเราได้ยินแต่ก็สักว่าได้ยินเห็นคนมาก็สักว่าเห็นคนมาจะนอกจากรับรู้สิ่งภายนอกแล้วเนี่ยเราก็รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับใจและความเป็นไปของกายด้วย อันนี้เรื่อว่ารู้นอกและรู้ในรู้นอกคือรับรู้สิ่งภายนอกไม่ใช่ไม่รู้เลยแล้วก็รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นภายในใจหลวงพ่อเขียนเปรียวเปรี้ยวมันว่าอยความรู้สึกตัวเนี่ยมืนกัการยืนอยู่หน้าร้ำนะอยู่ยืนอยู่หน้าถ้ำเนี่ยคือเห็นข้างในถ้ำแล้วก็เห็นข้างนอกถ้ำแต่ถ้าปฏิบัติไม่เป็นเนี่ยหรือปฏิบัติผิดเนี่ยไปนเน้นเรื่องสมาธิมากไปเนี่ยมันจะไปเหมือ น, นว่าอยู่ในถ้า ไม่รับรู้โลกภายนอกอเลยเลยขอยแต่เฝ้าดูว่าใจมันมีความคิดอะไรแล้วก็ไปกดข่มมันอันนี้ไม่ใช่นะความสึกตัวเนี่ยหลวงพ่อเขียนคำเปลี่ยนว่ายืนอยู่ปากถ้าปากถ้าก็เห็นทั้งข้างในถ้ำแล้วก็เห็นทั้งนอกถ้าไอความสึกตัวนี่แหลนะที่มันจะพาให้เราเนี่ยเวลาเดินข้ามถนนเนี่ยเราก็เดินได้อย่างปลอดภยัยเพราะเวลาเราเดินข้ามถนนที่มีรถขวักไขนเนี่ย ถาเราเดิด้ความสึกตัวโดยมีสติแล้วก็จะรู้ว่าถนนโล่งมีรถแด่นมาหาไหมนัยเดอรู้นอกถ้าถนนโล่งปลอดภัยเราก็เดินข้ามแต่ในเดชะการเราก็รู้ทันความคิดโดยเวลาใจเป็นเผลอคิดคิดเรื่องงานคิดเรื่องลูกคิดเรื่องพ่อแม่ในตอนนั้นขาดสติคือเราข้ามถนนก็อาจโดนรถชนได้เพราะาเรา ใจลอยหรือว่าหลงเข้าไปในความคิดก็เลยไม่รู้ว่าถนนเนี่ยมันปลอดภัยไหมเวลาเราข้ามถนนเนี่ยเราก็ต้องรู้ข้างนอกคือรู้ว่าถนนโล่งปลอดภัยแล้วก็รู้ในคือรู้ทันความคิดมีความคิดอะไรเกิดขึ้นก็วางไว้ก่อนจะได้จดจ่อใส่ใจในการเดินก้าวเดินข้ามถนน เรียกว่าเนี่ยเรียกว่ารู้นอกรู้ในเนี่ยเพราะมีความสึกตัวรวมทั้งรู้ชัดเวลาทำอะไรไม่ว่าจะเป็นล้างจานกินข้าวถูฟันกวาดบ้านก็รู้ชัดนะว่ากลาลังทำอะไรอยู่อันนี้ก็อาศัยกายทำโน่นทำนี้ก็เรียกว่ารู้กายรู้กายที่เคลื่อนไหวหรือรู้กายเมื่อทำกิจแล้วก็เห็นความคิดเมื่อมัน เกิดการปรุงแต่งขึ้นมาเห็นแล้วก็วางแต่ถ้าไม่ในระหว่างนั้นถ้าไม่มีความคิดอะไรเกิดขึ้นก็รับรู้สิ่งภายนอกรับรู้วัถนนปลอดภัยไหมรับรู้ว่าทางจงกลมเนี่ยมันมีงูเลี้ยวผ่านมันมีงูเลื้อยผ่านไหมมันมีมดเดินผ่านไหมไม่ใช่เดินจงกลมไปก็เดินเหยียบมดไปเพราะไม่เห็น เพราะใจเนี่ยมันไปจดจ่ออยู่กับเท้าก็ mm. มีนะ mm. เพืเดินตรงกรมลมเราไปเหยียบมดเหยียบแรงที่ผ่านทางจงกรมเนี่ยไม่เห็นเลยสังที่ตาเปิดเพราะอะไรนะเพราะใจมันไม่ได้ไปรับรู้โลกภายนอกเใจมันไปเพ่งที่เท้าหรือบางทีก็ไปอยู่คําบริกรรมหรือไม่ก็ใจก็ลอยเพราะนั้นเรียกว่าเดินไม่ถูก เ, เดินถูกเนี่ยรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกแล้วก็รู้ว่าทางจงกรมเนี่ สภาพอย่างไรถ้าเราปฏิบัติถูกนต่อไปเนี่ยความคิดมันจะควบคุมใจเราก็ไม่ได้ต่อไปเราก็จะรู้วรู้ว่าเนี่ยเราจะเลิกเบียดเบียนตนได้อย่างไรเราจะสามารถทำประโยชน์ตนได้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะเกิดประโยชน์ท่านตามมาด้วย